ได้ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจด้วยการมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศสังธรรมซึ่งเกิดจากความเชื่อเกิดจากความเชื่อในกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าทำดีได้ดี ทำทำเชั่วได้ชั่วความดีหรือความชั่วนั้นอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ผู้ผู้มีหน้าที่เพียงชี้แจงเพียงสั่งสอนให้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเทานั้นเองแต่เราเป็นผู้ กระทและเราก็เป็นผู้รับผลของการกระทำของเราการกระทำของเรานี้ก็มีอยู่สามสามชนิดด้วยกันความคิดของเราเรียกว่ามโนกรรมหรือการกระทำทางใจความพูดของเราเรียกว่าวาจีกรรมและการกระทำด้วยร่างกาย เรียกว่ากายกรรมกรรมทั้งสามนี้มีมโนกรรมคือมีความคิดเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้สั่งการถ้าใจไม่คิดร่างกายก็ไม่สามารถที่จะพูดหรือจะทำอะไรได้ถ้าใจคิดแล้วก็จะทำตามคำสั่งของ ของใจคือทำตามคำสั่งของความคิดเมื่อคิดไปแล้วพูดไปแล้วหรือทำไปแล้วก็จะมีผลตามมาขึ้นอยู่ว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำนี้เป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นบาปหรือไม่ใช่บุญไม่ใช่บาป การกระทำของเราก็จะมีสามทางด้วยกันถ้าคิดดีก็จะพูดดีทำดีตามมาอย่างนี้เรียกว่าบุญถ้าคิดไม่ดีคิดร้ายก็จะพูดร้ายแล้วก็ทำร้ายเป็นผลไม่ดีตามมาแล้วถ้าคิดแบบกลางๆคือไม่บาปไม่เป็นบาป ไม่เป็นบุญก็จะพูดแบบไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญแล้วก็จะทําแบบไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญผลก็จะเป็นผลที่ไม่ใช่เป็นบาปหรือบุญคือไม่ใช่เป็นความสุขความเจริญหรือความทุกข์หรือความเสือ่อมในชีวิตประจําวันของเราส่วนใหญ่เราจะทํากรรมที่ไม่ใช่บุญ หรือไม่ใช่บาปเป็นส่วนมากเช่นการดำรงชีพของเราอย่างนี้เราคิดทำรรมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเราได้รายได้มาเราก็นำเอาไปจับจ่ายซื้อสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารเครื่องนุ่งห่มการกระทำเหล่านี้ เรียกว่าไม่เป็นบุญหรือไม่เป็นบาปเพราะไม่เป็นบุญเพราะเราไม่ได้ไปช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้สงเคราะห์ผู้อื่นไม่ได้ทําให้ผู้อื่นได้มีความสุขไม่เป็นบาปเพราะเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเราไม่ได้ไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นจึงเรียกว่าเป็นการกระทําที่ไม่ใช่บุญและไม่ใช่บาป ถ้าเราอยากจะได้ผลบุญเราก็ต้องทำบุญการทำบุญนี้ก็คือการทำให้ผู้อื่นมีความสุขทำให้ผู้อื่นเขามีพ้นจากความทุกข์เรียกว่าเป็นบุญถ้าเราทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์หรือทำให้ผู้อื่นที่เขา เขามีความสุขแล้วไปทําให้เขามีความทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้เราก็เรียกว่าเป็นการกระทําบาปเมื่อทําบาปแล้วผลที่ตามมาก็คือความทุกข์ใจความรุ่มร้อนใจและความเสื่อมของใจคือส่วนในภพชาติที่ใจจะต้องไปไปรับ ถ้าทำบาปทำกรรมผลของบาปกรรมก็คือพบชาติในอบายเช่นนรกหรือพบของเดรัจฉานถ้าทำบุญผลของพบของบุญก็คือพบของเทวดาของมนุษย์ของพระอริยเจ้าทั้งหลาย น, นี่คือผลที่จะตามมาหลังจากที่ตายไปแล้ว ส่วนผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันภายในใจก็คือความสุขใจความเบาอกเบาใจความสบายใจเป็นผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันถ้าทำบุญถ้าทำบาปผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือความรุ่มร้อนใจความกังวลกวายใจความหวาดกลัวกลัวที่จะต้องถูกจับไปลงโทษหรือถูกจับผิด นี่คือเรื่องของกรรมเป็นอย่างนี้พวกเราทำกรรมกันอยู่ตลอดเวลาแม้เวลาที่หลับไปก็ยังทำกรรมอยู่เช่นเดียวกันแต่เป็นกรรมที่ละเอียดคือเวลาเราฝันไปอย่างนี้ก็เป็นการเป็นการทำกรรมเหมือนกันว่าความฝันก็คิดจากความคิดปรุงแต่งของใจเหมือนกัน แต่เป็นกรรมที่ละเอียดเป็นกรรมที่ไม่ไม่ไปเกี่ยวข้องกับร่างกายไม่เหมือนกับกรรมที่เราทํในในปัจจุบันในเวลาที่เราตื่นเวลาเราคิดอะไรแล้วเรามักจะพูดตามที่เราคิดหรือาทาตามที่เราคิดแต่กรรมที่ละเอียดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกาย ก็มีอยู่คือคำที่เกิดจากความคิดของเราก็ ม, มีมีอยู่สามทางเช่นเดียวกันคิดคิดดีคิดไม่ดีหรือคิดเป็นกลางกลาคิดความคิดอะไรที่ทำให้ใจของเรามีความทุก้ก็คือวเวลาเราคิดด้วยความโลภด้วยความโกรธ ด, ด้วยความหลง ถึงแม้เรายังไม่ได้ไปพูดอะไรเราไม่ได้ทาอะไรเพียงแต่คิดโลภคิดโกรธคิดหลงก็ทำให้ใจของเราวุ่นวายทำให้ใจของเราไม่สงบทำให้ใจของเรามีความทุกข์ขึ้นมาได้ทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้ไปทำวัจีกรรมหรือมโนกรรมเลยนี่เรียกว่าเป็นกรรมที่ละเอียดกรรมนี้ส่วนใหญ่ ผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติจิตตภาวนาคือทําจิตใจให้สงบเป็นสมาธิจะไม่ค่อยเห็นกันเพราะจิตที่ไม่เป็นสมาธินี้เป็นเหมือนกับน้ําทะเลที่มีคลื่นน้ําทะเลที่มีคลื่นนี้จะทําให้เรามองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ภายใต้น้ําแต่ถ้าน้ําทะเลนิ่งสงบ เราจะเห็นสิ่งที่มีอยู่ภายใต้น้ำใจของเราก็เช่นกันเวลาใจของเรายังไม่สงบยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เราจะไม่เห็นความทุกข์หรือความสุขที่ละเอียดที่มีอยู่ในใจของเราเราจะไม่รู้ว่าในใจของเรานี้มีสิ่งที่ดีสิ่งที่วิเศษ และสิ่งที่เป็นโทษอยู่ภายในใจของเราเพราะใจของเราไม่ได้มองใจของเราใจของเราจะมองไปภายนอกจะมองไปทางรูปเสียงกลิ่นรสผุดถั่พะแล้วก็จะไปเห็นไปหลงกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้สัมผัสว่าดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็เกิดความโลภเกิดความอยาก หรือเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธขึ้นมาตามสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้สัมผัสแล้วเราก็จะทํากรรมต่อไปถ้าเราเห็นสิ่งที่เราชอบที่เราคิดว่าดีเราก็จะเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาเวลาเราเกิดความโลกเกิดความอยากใจของเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา โดยที่เราไม่รู้สึกตัวหรือเวลาเราเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็เกิดความโกรธเกิดความเกลียดขึ้นมาใจของเราก็เกิดความทุกข์ร้อนขึ้นมาแต่เราจะไม่เห็นกันเพราะเราไม่ได้ดูใจและใจเราไม่สงบพอที่จะเห็นความแตกต่างถ้าใจมีความสงบแล้วเวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมา จะเป็นเหมือนกับมีอะไรมาทิมแทงใจเราหรือเป็นเหมือนกับภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยแต่เวลาที่ใจของเราไม่สงบนั้นใจของเราเหมือนมีภูเขาไฟระเบิดอยู่แล้วพอมีภูเขาไฟลูกอื่นระเบิดตามขึ้นมาเราก็จะไม่เห็นความแตกต่างมากนะักเราก็ไม่รู้ว่าเรากำลังอยู่ในความทุกข์ แต่เราอยู่เฉยๆไม่ได้เราอยู่ไม่เป็นสุขพอเราเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงขึ้นมาแล้วเราต้องไปทำในสิ่งต่างๆเพราะอยู่ไม่เป็นสุขแล้วโลภอยากได้อะไรก็ต้องไปหาสิ่งที่โลภเกลียดหรือโกรธอะไรก็ต้องไปกําจัดสิ่งที่เกลียดสิ่งที่โกรธแล้วถ้าไม่ระมัดระวัง ถ้าไม่รู้ว่าการกระทำที่เป็นบาปนั้นเป็นอะไรก็อาจจะไปทำบาปได้เช่นไปพูดคำพรุสวาาไปพูดคำหยาบไปด่าผู้อื่นหรือไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นหรือไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือไปทำร้ายร่างกายของผู้อื่นให้ถึงแก่ความตายผลนี่ก็เรียกว่าเป็นการกระทำบาป เมื่อทำบาปแล้วผลก็คือความรุ่มร้อนใจก็จะมีมากขึ้นตอนต้นก็มีความวุ่นวายความรุ่มร้อนใจที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงแล้วเป็นชั้นหนึ่งแล้วพอไปทำบาปเข้าก็เลยทำให้มีความทุกข์มีความรุ่มร้อนใจเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนกับมีภูเขาไฟระเบิดขึ้นมาอีกหลายลูกพร้อมๆกัน ใจก็ยิ่งจะรุ่มร้อนใจยิ่งทุกข์ใจไปใหญ่แต่ถ้าเราเคยมาวัดเคยฟังเทศฟังธรรมแล้วเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้เราทำบาปให้เราเชื่อว่าทำบาปแล้วจะมีผลเสียหายตามมาเวลาเราโกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงเราจะทำอะไรเราก็พยายามไม่ให้ ไปละเมิดศีลห้าทั้งศีลทั้งห้าข้ออย่างนี้ก็จะไม่ไปสร้างภูเขาไฟให้ระเบิดมากขึ้นมาภายในใจของเราก็เพียงมีแต่ภูเขาไฟที่ระเบิดจากความโลภความโกรธความหลงก็ยังไม่ดีเพราะยังทำให้ใจรุ่มร้อนทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจทุกท่าแหมใจสุขกษัตริย์กสาย ถ้าอยากจะทำให้ใจมีความสุขเราก็ต้องดับภูเขาไฟที่ระเบิดอยู่ใน ใ, นใจของเราด้วยการดับความโลภดับความโกรธ ด, ดับความหลงเวลามีความโลภท่านก็สอนให้เราใช้เหตุผลว่าสิ่งที่เราโลภสิ่งที่เราอยากได้นี้มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของเราหรือไม่ ถ้าเราไม่มีไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้มาแล้วเราจะตายหรือไม่ถ้าเราไม่ตายก็ถือว่าไม่จำเป็นอย่าเอามาดีกว่าอย่าไปอยากอย่าไปโลภดีกว่าเพราะเวลาโลภเวลาอยากก็ทำให้ภูเขาไฟในใจระเบิดขึ้นมาแล้วเมื่อได้สิ่งที่เราอยากได้มาก็จะเอาภูเอากองภูเขาไฟเข้ามาอยู่ในใจของเราเพิ่มขึ้นอีกกองหนึ่ง พราเมื่อเราได้อะไรที่เราชอบเรารักมาเราก็จะเกิดความหึงหวงขึ้นมาก็เป็นภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งแล้วก็เกิดความห่วงใยขึ้นมานี่ก็เป็นภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งแล้วก็เป็นความเสียใจเวลาที่เราเสียสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราได้มาไปนี่ก็เป็นภูเขาไฟอีกลูกนึงอีกลูกหนึ่งที่จะระเบิดขึ้นมาภายในใจของเรา ที่เราทำกันทุกวันนี้เราทําไปด้วยความไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็พยายามที่จะทนอยู่กับความทุกข์ใจเหล่านี้เพราะเราไม่รู้วิธีที่จะดับความทุกข์ใจเหล่านี้นั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงจัดสรุปแล้วมาสั่งสอนพวกเรา พวกเราจะไม่รู้เลยว่าพวกเรากำลังหอบเอากองภูเขาไฟเข้ามาไว้ในใจเราอยู่ตลอดเวลาด้วยกองภูเขาไฟที่มีอยู่ในใจของเราเป็นตัวจุดชนวนเกิด ค, ความโลภความโกรธความหลงทีนี้พอเรารู้แล้วว่าความโลภไม่ดีความโกรธไม่ดีความหลงไม่ดีเราก็ต้องพยายามดับความโลภความโกรธความหลง ด้วยธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเวลาโลภท่านก็ทรงสอนให้เราใช้เหตุผลว่าสิ่งที่เราอยากได้มานี้มันจําเป็นไหมถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปเอามาความโลภนั้นก็จะถัดไปเช่นเราเห็นเสื้อผ้าสวยๆที่เขาขายตามร้านต่างๆเราไปเดินชมเราเห็นแล้วเราก็ชอบก็อยากจะได้ขึ้นมา แต่เราต้องคิดก่อนว่าเสื้อผ้าที่เรามาอยู่นี้พอพอสวมใส่หรือไม่เสื้อผ้าที่มีอยู่ในตู้นี้มันน้นตู้หรือไม่มันแล้วเสื้อผ้าที่เราจะซื้อมาใหม่นี้จะมีที่เก็บหรือไม่ต้องถามอย่างนี้ถ้าถามนี้ด้วยเหตุผลอย่างนี้เรียกว่าปัญญาถ้ามีปัญญาก็จะสามารถลับความโลภความอยากในสิ่งที่ไม่จำเป็นได้ แต่ถ้าเราไม่ใช้ปัญญาพอเห็นอะไรชอบปับ๊บก็ถามเลยเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่พอเขาบอกถูกใจราคาพอสู้ได้ก็ฟักกระเป๋าเอาจ่ายเขาไปเลยแล้วเราก็จะต้องมาแบกกองภูเขาเพิ่มขึ้นอีกกองหนึ่งแล้วก็สูญเสียเงินทองไปที่เราต้องไปหามาด้วยความแสนยากลำบาก แล้วถ้าเราใช้แบบไม่รู้จักมีขอบมีเกณฑ์เราก็จะไม่มีเงินทองพอใช้เราก็จะลำบากเวลาที่จำเป็นจะต้องใช้เงินในสิ่งที่จำเป็นเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปรักษาต้องเสียเงินมากๆเราก็จะไม่มีเงินทองมาใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นเราก็อาจจะต้องไปหลอกคนอื่นไปยืมเงินคนอื่นเขามา แล้วก็อาจจะไม่มีปัญญาที่จะไปใช้คืนเขาได้เราก็จะทำบาปอีกสองกระทงคือไปพูดปดไปหลอกเขาว่าจะเอาเงินขอยืมเงินแล้วจะเอาเงินมาคืนเขาแล้วเมื่อเราไม่มีปัญญาเอาเงินมาคืนเราก็จะลักทรัพย์ไปด้วยมีเกิดขึ้นจากการมีความโลภแบบไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีเหตุไม่มีผล หรือบางคนก็อาจจะต้องไปลักขโมยเวลาที่เงินทองไม่พอใช้หรือต้องไปทำเขาเรียกว่าคอร์รัปชันไปไปช่อโกงด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้ได้ทรัพย์มาเพราะเงินเดือนไม่พอใช้หาเงินมาด้วยวิธีที่สุดจริตไม่พอเพียงก็เลยต้องหามาด้วยวิธีทุจริตก็จะผลักให้เราต้องไปทำบาป ท, ทำกรรม ไปเอากองภูเขาไฟเข้ามาสมหัวใจเราเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เอาภพชาติที่ไม่ดีมาเก็บไว้ในหัวใจของเราเอาภพชาติของเปรตบ้างของเดรัจฉานบ้างมาไว้ในใจของเรานี่คือความโลภเป็นอย่างนี้ไม่มีคนไม่มีประโยชน์กับจิตใจจิตใจจะสุขจะสบายมากเวลาไม่โลภ อย่างเวลาที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ใจของเราอยู่เย็นเป็นสุขสบายใจเพราะเราไม่โลภอยากได้อะไรถ้าเราเกิดมีความโลภอยากจะได้อะไรเราก็จะนั่งทนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ใจของเราก็จะเกิดอาการเกาลืนกายก ร, รกระสับกระส่ายอย่างมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งมีพระเจ้าแผ่นดินท่านมีพระอาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือ ทัานก็จะนิมนต์ให้ท่านมาเทศอยู่ทุกวันพระบางครั้งท่านก็เทศไม่นานท่านก็จบบางครั้งท่านก็เทศนานพระเจ้าแผ่นดินก็เลยสงสัยเลยถามว่าทำไมบางวันเทศสั้นบางวันเทศยาว พ, พระท่านก็ตอบไปว่าก็ขึ้นอยู่กับผู้ฟังคือพระองค์ถ้าวันไหนพระองค์ฟังด้วยจิตใจที่สงบ ก็ไม่ต้องเทศยาวเทศเดียวเดียวก็ก็ใช้ได้แล้วได้ผลแล้วแต่วันไหนที่พระองค์มีอาการกระสับกระสายกวลกวายมีความโลภอยากจะไปทํานั่นทํานี่ก็จะต้องเทศยาวเพื่อจะได้ให้จิตของพระองค์นั้นสงบนั่นเองซึ่งขัดกับความรู้สึกของพระองค์วันไหนที่พระองค์สงบก็อยากจะฟังนางนๆอยากจะฟังยาวๆ แต่วันไหนที่กระสับกระสายกังวนกวายอยากจะลุกก็กลับต้องมาฟังยาวๆนานๆ น, น, นี่แหละก็วิถีของของธรรมะกับของทางโลกต่างกันตรงนี้พระท่านก็มีหน้าที่ที่จะสอนที่จะช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบเพราะไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าเท่ากับความสงบ ใจนัตติสันติบางสุขขังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่เหนือหรือเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจนี่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกขมาเจือปนเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลายเป็นความสุขที่ไม่มีใครมาพากจากเราไปได้ ไม่เหมือนกับความสุขทางโลกที่สามารถพลากที่มีผู้อื่นสามารถพลากจากเราไปได้เช่นถ้าเรามีความสุขในตำแหน่งก็อาจจะมีคนอื่นเขามาแย่งตำแหน่งของเราไปได้ถ้าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็อาจจะมีคนอื่นเขาปฏิวัติแล้วเขาก็ล้มบัลลังก์ของเราได้แต่ถ้าเรามีความสุขภายในใจแล้ว ไม่มีใครสามารถที่จะมาพากจากเราไปได้เป็นความสุขที่จะอยู่กับเราเสมอถ้าเรามีสติมีปัญญามีความสามารถพอที่จะระ ง, งับดับความโลภดับความโกรธ ด, ดับความหลงได้ตลอดเวลาไม่ยากเย็นอะไรเลยเพียงแต่ดับสามตัวนี้เท่านั้นเองดับความโลภดับความโกรธ ด, ดับความหลง แล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะมาเสมอได้เลยดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ความสนใจต่อการสร้างความสุขแบบนี้ดีกว่าด้วยการกําจัดความโลภด้วยวิธีที่ได้อธิบายมาส่วนความโกรธท่านก็ให้ใช้ความเมตตาคือ ให้อภัยเวลาใครเขาทำอะไรก็พูดอะไรที่สร้างความโกรธให้เราเราก็อย่าไปถือโทษโกรธดเคืองเขาเพราะสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาทามันก็ผ่านไปแล้วแวบเดียวเท่านั้นเองพูดคาเดียวก็หายไปแล้วถ้าเราไม่เอามาจดมาจาไว้ในใจมันจะไม่มีผลอะไรกับใจของเราเลยแต่ส่วนใหญ่เรามักจะเอามาเก็บไว้ในใจ ถ้าพูดไม่ดีเพียงคำเดียวนี้เขาพูดตั้งแต่เมื่อเช้านี้หรือเมื่อวานนี้เรายังเอามาเก็บไว้ในใจเอามาคิดอยู่แล้วคิดทีไรเราก็จะเกิดความโกรธเกิดความแค้นขึ้นมาทุกค้างไปถ้าเราอย่านำเอาคำพูดของเขามาไว้ในใจของเราพยายามทำใจของเราให้อยู่ในปัจจุบันอดีตมันผ่านไปแล้วสิ่งที่เขาพูดนั้นมันเป็นอดีตแล้ว เป็นเหมือนความฝันมันผ่านไปแล้วถ้าเราลืมมันแล้วมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ส่วนใหญ่เรามักจะไม่ลืมกันเพราะใจของเราไม่ชอบอยู่ในปัจจุบันใจของเราชอบไปหาอดีตชอบไปอนาคตเสียมากกว่าพอมีเรื่องอะไรมากระทบปั๊บผ่านไปแล้วเราก็ยังเอามาคิดเอ า, าเอามาเอามาโกรธเอามาเกลียดอยู่ หรือเอามารักเอามาชอบอยู่ถ้าสิ่งที่เราชอบเราก็จะคิดอยากได้อยู่อย่างนั้นคิดอยู่เรื่อยๆรืจึงทำให้เราใจของเรามีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราทำใจของเราให้อยู่ปัจจุบันไดน้ด้วยการใช้พุโทโธนี้เป็นตัวยึดอย่าไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เวลาไม่มีความจำเป็นต้องคิดให้คิดแต่พุโทโธพุโทโธไป ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดก็ให้คิดแต่คำว่าพุทโธพุทโธไปเวลามีอะไรมากระทบกับใจของเราที่ทำให้เกิดความโลภและเกิดความหลงขึ้นมาก็ให้เราคิดคำว่าพุทโธพุทโธไปแล้วมันจะไล่สิ่งที่ทำให้เราโกรธสิ่งที่ทำให้เราโลภได้แต่ถ้าเราไม่มีพุทโธแล้วเราก็จะคิดแต่เรื่องที่ทำให้เราโลภ เรื่องที่ทำให้เราโกรธแล้วก็ทำให้เรากระสับกระส่ายกระวนกระวายกินไม่ได้นอนไม่หลับเราก็หาความสุขไม่ได้ต่อให้เราได้สิ่งต่างๆที่เราโลภเราอยากได้มามากน้อยเพียงไรมันก็ไม่สามารถให้ความสุขกับใจของเราได้ต่อให้เราไประงับดับความแค้นด้วยการไปทำร้ายผู้อื่น เราก็จะไม่สามารถดับความโกรธความแค้นได้อย่างถาวรเดี๋ยววันอื่นก็จะโกรธขึ้นมาใหม่เวลาใครพูดอะไรหรือทำอะไรที่เราไม่ชอบอกชอบใจมันก็จะกลับขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าเราทำใจให้เป็นปัจจุบันหรือเราทำใจให้มีความเมตตาคือให้อภัยเขาคิดเสีย ว, ว่าเป็นการให้ทานกันการให้อภัยนี้เป็นทานชนิดหนึ่งเป็นการทาบุญอย่างหนึ่ง เหมือนกับญาติโยมนำอาหารเคาวานมาถวายพระนี่ก็เป็นทานสิ่งที่ญาติโยมนำมาถวายเรียกว่าวัตถุทานเวลาเราให้อภัยผู้อื่นไม่ถือโทษโกรธเคืองเรียกว่าอภัยทานเป็นบุญเพราะจะทำให้ใจของเราสงบทำให้ใจของเรามีความสุขหรือเราจะคิดว่าเป็นการใช้หนี้เก่าไปก็ได้ใช้กรรมเก่าไปก็ได้ เราคงไปทำอะไรที่ไม่ดีกับเขามาก่อนเขาเลยต้องมาทำไม่ดีกับเราถ้าเราไม่ไปตอบโต้เขาเรายอมใช้กรรมนี้เขาก็จะหยุดหลังจากนั้นไม่นานเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราอีกต่อไปเพราะบทเวนบทกรรมกันดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเวนย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวนแต่เวนย่อมระงับด้วยการไม่จองเวน ดังนั้นเวลาใครเข้ามามามาเรียกคืนหนี้เก่าเราก็ใช้เขาไปอย่าไปสร้างเวรใหม่ขึ้นมาอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปตอบโต้เขาพยายามลืมเสียพยายามขับมันออกไปจากใจด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปไเรื่อยๆแล้วไม่นานเราก็จะลืมเรื่องที่เขาทำให้เราโกรธ เมือนในขณะนี้เราอยู่ตอนนี้เราเริมเรื่องที่เราที่พูดทําให้เราเกโกรธไปซึ่งมีอยู่หลายเลื่องด้วยกันแต่ตอนนี้เราไม่ได้คิดถึงพอเราไม่คิดถึงเราก็ไม่มีความกโกรธแต่ถ้าเราเผลอไปคิดปับ๊บเราก็จะกโกรธขึ้นมาทันทีดังนั้นวิธีที่จะทําให้ใจเราปราศจากความโกรธวิธีหนึ่งก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธไป หรือไม่เช่นนั้นก็ให้อภัยไปหรือไม่เช่นนั้นก็คิดว่าเป็นการใช้หนี้ก่รใช้เวรใช้กรรมกันไปเราก็จะสามารถทำจิตใจของเราให้สงบจากความโกรธได้แล้วเราก็จะมีความสุขทั้งทั้งที่เราเพิ่งถูกคนเข้าด่าไปหยกๆยกไม่นานนี้เองแต่เรากลับไม่รู้สึกสะทกสะท้านหรือหวั่นไหวแต่อย่างใดถ้าเราทําไปเรื่อยๆจนชํานาแล้ว ต่อไปคำดุดาคำตำหนิคำขรหานินทาจะไม่มีไม่มีผลกระทบกับใจของเราแต่อย่างใดนี่คือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราระ ง, งับความโกรธห็นขอให้พวกเราพยายามพยายามระงับปัญหาที่แท้จริงของเราแก้ปัญหาที่แท้จริงของเราที่มีอยู่ในใจนี้ดีกว่าที่ไปแก้ปัญหาต่างๆภายนอก ที่ไม่มีวันสิ้นสุดแก้เท่าไหร่มันก็มีปัญหาใหม่มาให้เราแก้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราแก้ปัญหาสามตัวที่มีอยู่ในใจนี้ได้แล้วเราจะไม่มีปัญหากับใครต่อไปเลยจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้คือเรื่องของกรรมเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของความสุขที่แท้จริงคือความสงบ